สี่เทวทูตวักหมวดว่าด้วยเทวทูตหนึ่งสพร ม, มกสูตรว่าด้วยสกุลที่มีพรหมสามสิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบุตรของสกุลใดบูชาบิดาบานดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่า มีบุรพาจารย์บุตรของสกุลใดบูชาบิดามารดาในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุนัยบุคคลคำว่าพรมนี้หมายถึงชื่อของบิดามารดาคำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของบิดามารดาคำว่าอาหุนัยบุคคลนี้เป็นชื่อของบิดามารดาข้อนั้นเพราะเหตุใด เพราะบิดามารดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรบิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรมบุรพาจารย์และอาหุนัยะบุคคลของบุตรเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะบิดามารดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการอาบให้ และการล้างเท้าเพราะการปนิบัติบิดามานดานั้นบัณฑิตจึงสารเสริญในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อ บ, บันเิงในสวรรค์สักพรมะกะสูรที่หนึ่งจบ